ทั้งนี้เพราะว่าท่านต้องการให้เราว่างจากความมีตัวเราถ้าฟังไม่ถูกก็ต้องพูดใหม่ว่าไห้ว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวเราซึ่งจะเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแต่แก่ตัวเมื่อว่างจากความรู้สึกมีตัวเราแล้วจะมีอะไรมันก็มีสติปัญญาความไม่เห็นแก่ตัวความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ที่แท้นั้นขึ้นชื่อว่าจิตแล้วต้องเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาอยู่ในตัวมันเองแต่เดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวมันปิดเสหมดมันครอบงำหุ้มห่อเสหมดจิตจึงโง่และจิตก็ไม่ว่างจากตัวกลัดกลุ่มไปด้วยตัวเรียกว่าจิตวุน่นเพราะฉะนั้นจำไว้สองคำก็แล้วกันจิตวุ่นกับจิตว่างจิตวุ่น